Thank you. ชาสุพัทโทนะมันออกประพงท่านเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นน่าสนใจเขาบอกว่าเวลามีหลุมเนะี่ยแล้วคนเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปในหลุมถ้าหากว่ามือล้วงไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยร้อยท่องร้อยเลยจะบอกว่าหลุมมันลึกจะไม่มีใครที่จะบอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นนะทรอยเป็นอย่างนั้นนะ อนี่เป็นเพราะว่าคนเรานี่มักจะมองออกไปนอกตัวแล้วมัน ก, ก็ไม่ค่อยมองตัวเองเท่าไหร่เวลามีปัญหาก็จะมองหรือโทษสิ่งอื่นหลุมมันลึกแต่ไม่ได้มองมาที่ตัวเองว่าเอ้ยไม่ใช่เป็นเพราะแคนเราสั้นเหรนะอข้อสังเกตนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งนะ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนหลายร้อยปีมาแล้วชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนปกติกก็เดินเถอะไนดะ้ปกตินะไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยก็ได้ก็สนทนากับเพื่อนตั้งแต่บ่ายนะจนค่ำพอได้เวลาที่จะ กลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโคมให้เป็นโคมผ้าชายตาบอ ก, ก็บอกว่าเอามาให้ฉันทำไมเพราะว่าฉันเดินได้เอาคนตาบอดเนี่ยขํามมืดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต่าจากเวลากลางวัน เพิ่งก็บอกว่าถึงแม้ท่านจะไม่ต้องการใช้โคมนะแต่ว่าคนที่สัญจรเขาตาดีเนี่ยถ้ามีแสงสว่างจากโคมของท่านเนี่ยก็กจะได้ไม่เดินมาชนท่านชายตาบล ก, ก็เลยรับเอาโคมไป จุดไฟพร้อมเดินไปได้พักใหญ่นะเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วก็เกิดมีคนเนี่ยเดินมาชนอย่างแรงเลยจนลม้มโกรธมากนะแม้ว่าชายผู้นั้นจะขอโทษขอโพยแล้วก็ยังไม่คลายความโกรธพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตาบอหรือไง ไม่เห็นโคมที่ชั้นจุดเหรอนะมาเดินชนชั้นได้ยังไงเนี่ยชายผู้นั้นก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษจริงๆแต่ว่าโคมที่ท่านจุดนี่มันมันดับไปนานแล้วนะครับเรื่องก็จบเท่านี้นะนี่เป็นนิสนิทาน ท, ที่สอนธรรมะได้ดีนะบางคนสงสัยมันสอนอะไร นิทานดีๆนี่เขาไม่ไม่ขโมดนะจบแบบนิทานอีสบนะแต่เขาจะให้เราคิดว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเราะมันบอกเราว่าคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ให้นึกถึงคนอื่นไม่ด้วยบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะก็ควรใช้หรือควรทาให้มันมีขึ้นอย่างใช้ตาบอดเนี่ยก็ไม่ต้องการโคมแต่โคมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นทําให้คนอื่นเขาเห็นทางคนตาดีเขาเห็นทางแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะเพราะว่าพอเขาเห็นทางแล้วเขาก็ไปเดินมาชน แต่ว่าก่อนที่จะนึกถึงตัวเองนะก็ลองนึกถึงคนอื่นด้วยก่อนนึกถึงประโยชน์ของเที่ยงเกิดขึ้นกคนอื่นในเด็กคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยแกไปเห็นคุณปู่คนหนึ่งเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นมะข่าต้นมะเขียนต้นไม้ดีๆทั้งนั้นก็ปลูกเนี่ยเป็นปลูกมาโดยตลอด่ะนะ เหนื่อยก็เหนื่อยแดดร้อนก็ร้อนก็ถาปลูกไปแล้วได้ได้อะไรใชชลากว่มปลูกแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะต้นไม้มันให้ร่มเงานะสิงสารสัตว์ก็มาใสอยู่แล้วแถมยังได้เนื้อไม้ด้วยเอาไม้ไปทำบ้านเอาไานไปทำสะพานก็ได้ เดี๋ยวก็เลยถามว่าแล้วมันต้นไม้นี่กว่าจะโตใช้งานได้มันนานเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบปีเป็นอย่างน้อยบางทีก็บางต้นก็ห้าสิบปีโอ้โหแล้วลุงจะได้ใช้เออเนี่ยอาจจะตายก่อนที่จะได้ใช้ด้วยชายชราก็บอกว่าปลูกนี่ไม่ได้คิดจะให้ตัวเองใช้นะ ปลูกเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพวกเธอนี่แหละในชายชร า, าเนี่ยนะเขาไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเองปลูกเพื่อผู้อื่นอย่างพวกเราเนี่ยไปปลูกป่านะที่ภูหลงเนี่ยก็เหมือนกันนะปลูกแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้บางคนก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เลย อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังมีบางคนถามนะปลูกทาไมนะทำแล้วฉันได้อะไรเดียวนี้มีคนคิดแบบนี้เยอะทำแล้วฉันจะได้อะไรอันนี้เป็นเป็นคำถามที่อาจารย์ประเวศบอกเป็นคาถามที่น่าเกรงที่สุด ในโลกนะทำแล้วฉันจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างเออทําแล้วคนอื่นจะได้อะไรบ้างนะคนที่คิดหรือถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรเนี่ยจะมามาปลูกป่าก็มาปลูกด้วยความทุกพอรู้อยู่แน่นอนว่าปลูกไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ไประโยชน์จากต้นไม้ที่ลงมือปลูกหรอกแต่ถ้าเราถามตัวแล้วเออทำแล้วสังคมจะได้อะไรทําแล้วโลกจะได้อะไร คำตอบมันก็ชัดนะซึ่งมันก็ทำให้เราเกิดความเพียนเกิดฉันท่าถึงแม้จะเหนื่อยแด่จะร้อนก็ปลูกนะแล้วถึงแม้จะไม่มาปลูกต้นไม้ที่นี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันก็มีอะไรต่ออะไรที่จะให้เราทาได้เยอะถ้าาว่าเราคิดถึงื่อื่นด้วยเช่นเราเข้าห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะ แล้วก่อนจะออกจากห้องน้ำํำเราก็ทำความสะอาดนะ ถ, นถึงแม้ตอนก่อนจะใช้เราก็ทําความสะอาดแล้วใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดเพื่ออะไรเพื่อคนข้างหลังก็จะได้มาใช้ได้อย่างสบายใจเราจะไม่ได้กลับมาใช้ห้องน้ํานั้นอีกนะแต่ว่าเราทําเพื่อผู้อื่นบางทีเราถ่ายหนัก แล้วก็กระดาษชําระก็หมดพอดีเราใช้จนหมดพอดีหมดม้วนหลายคนก็เดินออกเลยเมื่อเสร็จกิจแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยนะเราก็ควรจะเอาม้วนใหม่เนี่ยมาใส่ที่ห้องน้ําสาธารณะหลายแห่งก็จะมีกระดาษชําระที่สํารองเอาไว้นะบางทีก็อยู่ในห้องน้ํานั่นแหละ แต่หลายคนก็เดินออกเลยเพราะคิดว่าฉันใช้ฉันทำกิจเสร็จแล้วน ะ, ะคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะหรือว่ามีน้ำใจเนี่ยเขาก็จะยอมเสียเวลาหน่อยนะเอากระดาษชำระม้วนใหม่เนี่ยมาใส่แทนม้วนเดิมแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ใช้กระดาษม้วนนั้นนะแต่คนอื่นจะได้ใช้แน่นอนอันนี้แหละนะ มันแสดงถึงน้ำใจเวลาเห็นไฟมันเปิดค้างไว้แม้จะแม้จะเป็นไฟหลวงหรือไฟของสถานที่สาธารนณะหรือแม้แต่เป็นของโรงแรมก็ตามเราก็ควรจะเดินไปปิดถ้าไม่ได้ใช้หรือแม้แต่เครื่องปรับอากาศนะบางโรงแรมก็ต้องจะเปิดแล้วปิดก็ เสวิตอยู่ในห้องเราจะคิดบางคนคิดว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วนะต้องใช้ให้คุม้มแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนึกถึงคนอื่นในทีนี้ก็ อ, อาจจะไม่ได้เจ้าของโรงแรมอาจจะไม่ใช่เจ้าของโรงแรมแต่เป็นส่วนรวมโลกนะถ้าเราประหยัดไฟสักหน่อยนะมันก็ช่วยประหยัดพลังงาน แล้วก็จะช่วยลดอะไรอีกหลายอย่างแม้จะเล็กน้อยก็ตามถึงแม้ว่าการจะเดินไปปิดไฟหรือไปปิดเครื่องเนี่ยมันทำให้เราต้องเดินอีกหลายก้าวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์นะต่อส่วนรวมได้ลองคิดดูนะมันมีหลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่เราจะนึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่พอต้องคิดถึงคนอื่นด้วย เวลากินบุฟเฟ่เนี่ยเราจะเห็นหลายคนนี่ตักเอาตักเอาตักเอาตักให้เยอะยิ่งอะไรแพงยิ่งตักใหญ่แล้วกินไม่หมดหรือถึงจะกินหมดเนี่ยแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นบ้างนะไม่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่และมันก็จะกล่อมกล่อมจิตใจเราด้วยทำให้เราเป็นคนประนีด ในนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนให้เราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยนึกถึงคนอื่นด้วยบางอย่างมันไม่จำเป็นสำหรับเราเราไม่ได้ใช้แต่ว่าคนอนื่นก็จะได้ประโยชน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนิทานเรื่องนี้เขาเตือนใจเราว่าเวลาเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอย่าเพิ่งโทษคนอื่น ให้กลับมามองตนอย่างพอมีคนมาเดินชนชายตาบอดตจนให้ล้มลงเนี่ยชายตาบอดแกก็ว่าเลยนะว่าคนที่มาเดินชนเขาเนี่ยว่าตาบอดหรืองไงฉันอุตสาหจุดโคมสว่างไม่เห็นเลยแต่ชายตาบอดไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นเพราะโคมเขามันดับแล้ว คนที่โทษคนอื่นไม่โทษตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้งจคนตาบอดนะคนที่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเลยเนี่ยก็เหมือนคนตาบอดนะเราถามตัวเองว่าเราเป็นคนตาดีหรือตาบอดนะเวลามีปัญหาเนี่ยเรามองไปที่ตัวเองหรือเปล่าหรือมองไปที่คนอื่นโทษคนอื่นคนที่เอาแต่โทษคนอื่นเนี่ยนะจะไม่มีทางเห็นความผิดพลาดของตัวเองก็ เียได้คนตาบอดแต่ถ้าเราฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดคุค้นคิดกบมันเนี่ยนะมันก็จะได้ข้อเตือนใจนะเวลามีปัญหาขึ้นมาก่อนที่จะไปโทษคนอื่นกลับมามองตัวเองว่าเรามีส่วนหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัญหามันเกิดหรือเปล่า ในเวลาทำงานก็ดีนะหรือว่าเวล า, าใช้ชีวิตประจำวันก็ดีมันก็จะมีปัญหาแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปโทษคนอื่นทันทีเหมือนกันที่หลวงพ่อชาท่านบอกเนี่ยหลุมเนี่ยถ้าหากว่าล้วงไปไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยนะก็จะโทษว่าหลุมมันลึกทำหลุมมันลึกแบบนี้แต่ไม่มองมาที่ตัวเองว่า ว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นต่างหากแล้เราเลือกได้นะว่าเราจะเป็นอย่างชายตาบอรหรือเปล่านะที่พอมีคนมาเดินชนแล้วก็ด่ากลับทันทีว่าตาบอรหรือไงอันนี้รวมถึงเรื่องความทุกข์ด้วยนะเวลามีความทุกข์เราอย่าเพิ่งโทษคนอื่น ลองกลับมาดูชิดใจเราก่อนคนเวลามีความทุกข์ใจก็จะโทษคนอื่นได้ง่ายนะโทษว่าเป็นพ่อเขาด่าเราเป็นพ่อเขานินทาเราเป็นพ่อเสียงดังเป็นพ่อแดดร้อนแต่ไม่ค่อยกลับมาดูใจของเราว่าใจเรามีส่วนหรือเปล่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดัง ใครเขาจะด si ่าเรายังไงถ้าใจเราไม่เก็บเอามาคิดนะใจเราไม่ฉวยเอาความคําพูดของเขานี่มาทิ่มแทงหรือว่ากรีดแทงใจเราเราไม่ทุกข์หรอกก็พูดแล้วเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะเราไม่ทุกข์แต่เป็นเพราะเราไปสนใจคําพูดของเขา นึกย้ำซ้ำทวนข้อความที่เขาพูดหรือเขียนมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเจ็บปวดยิ่งขุนเคืองบางทีเขาพูดเนี่ยตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วการกระทำบางอย่างของเขาโกหกเราโกงเราผ่านไปสิบปีแล้วยังแค้นอยู่เลยยังทุกข์อยู่เลย แล้วก็โทษเขาแต่ไม่ได้ดูใจตัวเองว่าเป็นเพราะเราไปเก็บเอามาคิดหรือเปล่าเสียงดังเนี่ยนะถ้าใจเราเฉยๆกับมันเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกแต่สังเกตไหมเวลาเสียงดังถ้าเราหงุดหงิดเมื่อไหร่เนี่ยนั่นเป็นเพราะใจเรานบ่นโวยวายตีโพตีพายใจที่ไม่ชอบเสียง ต่างหากนะที่ทำให้ใจเราทุกข์หรือมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราถ้าเราไม่สนใจมันช่างมันนะเราก็เป็นปกติสุขเป็นเพราะใจเราไปยึดเอาไว้ยึดเสียงนั้นจดจ่อที่เสียงนั้นเปลียบไปก็เหมือนกับก้อนหินนะก้อนหินเนี่ยถ้าเราไม่แบกนะ เราก็ไม่เหนือ่อยไม่หนักก้อนหินมันจะใหญ่แค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันเราจะเหนื่อยไหมเราจะหนักไหมถ้าเราเหนือ่อยเราหนักเนี่ยเราก็โทษก้อนหินไปด่า ก, ก้อนหิ น, นทาไมมึงหนักแบบนี้ทําไมมึงหนักแบบนี้สมควรหรือเปล่าทำไมเราไม่ถามตัว้ว่าเราแบกทําไมไม่ถามถึงว่าทําไมเราแบกฐานก้อนแดง กลไม่ในมือแล้วก็บอกว่าโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ทําไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมึงไม่เย็นอ่าอยากจะให้ฐานนี่มันเย็นหรือมันดำแต่ไม่ถามตัวเองว่าแล้ว เ, เราถือมันทําไมให้ความทุกข์ใจเป็นเพราะเหตุนี้นะเป็นเพราะเราไปแบกไปยึดเอาไว้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามการที่ใจไปคิดนึกถึงมันบ่อยเนี่ย อันนี้ก็คือการแบกอย่างหนึ่งนะหรือไปจดจอกับมันเนี่ยก็คือการแบกมันคือการยึดในหลายประเทศนะมีวิธีจับลิงนะวิธีจับลิงเนี่ยหรือว่าบางทีก็รำคาญที่ลิงเนี่ยมันชอบไปก่อกวนสวนเขาต้องการจับมันหรือจัดการกับมันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ปืนนะก็ใช้กับดัก กับดักก็ง่ายๆอาจจะเป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็อีกด้านนึงก็ผูกเชือกยึดไว้กับต้นไม้อีกด้านนึงก็จกเจาะเป็นรูเล็กๆพอให้มือเนี่ยสอดให้ลิงสอดมือเข้าไปได้แล้วข้างในก็ใส่พวกอาหารเช่นถั่วลิงเนี่ยมันได้กลิ่ น, นมันก็จะลงมา แล้วมันก็จะมือล้วงเข้าไปในในกระบอกไม้ไผ่แล้วพอมันคลําเจอถัวเนี่ยมันก็จะกําเอาไว้แต่พอมันจะดึงเมืองมามันก็ดึงไม่ได้เพราะติดเพราะมันก็ร้องโวยวายมันดึงมือพยายามดึงมือออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ออกมันร้องโวยวายนะตรงนี้แหละนะที่จะเรียกให้ เจ้าของสวนเนี่ยออกมาแล้วก็มาจับมันบางทีถึงกับฆ่ามันด้วยซ้ำไอ้ลิงเนี่ยมันเห็นเจ้าของสวนมาเนี่ยมันก็พยายามหนีแต่มันก็หนีไม่ได้เพราะว่ามือเนี่ยมันติดบางทีเจ้าของสวนไม่ต้องทำอะไรเลยนะดูเฉยเฉยเนี่ยอย่างบางแห่งเนี่ยเขาไม่ใช้กระบอกไม้ไผยเขาใช้พวกกับมะพร้าวนะแล้วก็เจาะรูเล็กๆ ไม่ต้องหาถัว่วอะไรส่เข้าไปเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเป็นอาหารล่อลิงได้ยืแล่ะอีกด้านหนึ่งของมะพร้าวก็ผูกไว้กับต้นไม้เขาจับลิงต้องการจับเป็นๆ น, นะเพื่อเอาไปให้พิพิธภัณฑ์บ้างเอาไปให้สวนสัตว์บ้างลิงหายาก น, นะแล้วบอกว่าพอลิงมาเอมือล้วงเข้าไปนะแล้วมาพยายามดึงออกมาดึงไม่ได้นะมันก็ดึงมานนี่นะทั้งคืนหรือว่าทั้งวัน นุ่นเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็รอจนกระทั่งพอตกเย็นนะลิงมันหมดแรงมันหมดแรงแล้วมันดึงจนหมดแรงเลยนะแต่บางตัวเนี่ยมันดึงไม่ออกนะมันก็จะมือทุบทุบกระบอกไม่ไผ่เอามือทุบ ม, มาพร้าวมือที่เหลืออยู่นะมันทุบทมาเพราะมันโกรธ มันดึงไม่ออกใช่ไหมมันก็โกรธมันก็โทษไอ้ก็บอกไม่ไผ่นันก็มือทุบทุบทุบทุบมันไม่เหลียวใจหรือว่าเพียงแค่มันคลายมือออกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นอิสระที่มันดึงไม่ออกเนี่ยนะเป็นเพราะมันไม่ยอมคลายไม่คลายมือมันไปโทษ ไม้ไผ่มาไปโทษมะพร้าวแล้วมันก็ทุบทุบทุบ ท, ท, ท, ทีทีีซึ่งทำให้หนักกว่าเดิมเพราะมันก็หมดแรงง่ายเจ็บมือตัางหาเนี่ยคนเราเป็นอย่างนี้นะไม่น้อยเลยเราทุกข์แต่เราไม่ได้ทุกข์ที่การเราทุกข์ที่ใจแล้วทุกข์เพราะใจะเราไปแบกไปยึดเอาไว้บางทีของหายไปแล้วเงินถูกโกงไปแล้ว ใจเราก็ยังไปหวนคิดแล้วก็ยึดมันเอาไว้ของกูของกูของกูมันไม่ใช่ของกูแล้วมันเป็นของคนอื่นไปแล้วก็วยังยังไม่ยอมวางนะเพียงแค่วางเท่านั้นแหละใจมันจะสบายถาใหม่ดีกว่าแต่พอยึดเอาไว้ไม่ยอมก็เลยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพใจก็แย่สุขภาพกายก็สุดป่วย เพราะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนงานการก็ทำไม่ได้เสียงานเสียสุขภาพนะใจก็เสียบางทีหงุดหงิดมากๆราคาญโมโหไม่มีอารมณ์ก็ทะเลาะ ก, กับผู้คนไปทั่วเสียสมพันธภาพเสียไปหมดนะเป็นเพราะว่าใจมันไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ไปโทษคนนั่นคนนีนะ้คนเรานี่มีพฤติกรรมไม่ต่างจากไอ้ลิงที่มันทุบอนะ ก็บอกไม่ภายด้วยความโกรธว่าไปยึดมือมันเอาไว้ทจริงแค่ปล่อยเท่านั้นแหละแค่คลายมือเท่านั้นแหละก็เป็นอิสระในเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยนะอย่าไปโทษคนอื่นนะกลับมาดูเป็นเพราะใจเราไปยึดหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่ยึดเนี่ยก็มักจะเป็นเพราะว่าความหลงความลืมตัว ลีงเนี่ยนะมันมันลืมตัวยิ่งพอมีคนมาเนี่ยมันยิ่งมันลืมไปว่ามันกรรมเอาไว้มันลืมว่ามันไม่รู้ตัวว่ามันกรรมเอาไว้นะอ่าส่วนใหญ่เป็นความโลภโดยความโลภเนี่ยทําให้มันเสียดายเสียดายอะไรเสียดายถั่วที่มันกรรมไว้ในมื อ, อความโลภก็ทําให้ไม่ปล่อยไม่วางไม่คลายไม่เอ่อไม่แบ ความลืมตัวด้วยความกลัวด้วยเห็นคนมากลัวพยายามหนีหนีไม่ได้เพราะมือมันติดมันะมลืมตัวที่เราแบะเนี่ยเพราะเราลืมตัวรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันคลายแต่คนจะรู้ตัวด้ต้องกลับมามองตัวเองก่อนนะไม่ใช่ส่งจิตออกนอกหรือเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้ ถ้าทงจิตอลอันอกเนี่ยไปโทษคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่มีทางเห็นตัวเองไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นเพราะใจเราไปยึดไปแบกเอาไว้าการกลับมามองตนเนี่ยสําคัญแต่ถ้าเป็นอย่างคนตาบอดมันไม่มีทางที่จะมองเห็นนะว่าตัวเองเนี่ยทําอะไรผิดพลาดมองไม่เห็นว่าโคมที่ตัวเองถือไว้มันดับแล้วคนที่มองไม่เห็นความผิดพลาดตัวเองเนี่ยก็ เปรียบได้คนตาบอดแล้วทุกวันนี้ก็ตาบอดกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้เจ้านายไม่เป็นธรรมเพื่อนเอาเปรียบนะแฟนพูดจาไม่น่ารักลูกนี่ก็ดื้อโทษตะพึตตะพื้นะแต่มองไม่เห็นตัวเองอันนี้ก็คือตาบอดนั่นแหละแต่ถ้าเราเริ่มหันมามองตนนะตามก็จะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้น ดยนี่พุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงสอนว่าตรัสเป็นพุทธภาสิวเนี่ยบุคคลควรมองตนหมั่นพิจารณาตนนะถ้าเราหันมามองตนเนี่ยไอความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆเกิดค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเป็นเพราะเราไปยึดไปแบกเอาไว้สิ่งอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยรอง ไเสียงดังคนไม่น่ารักรลติดแดดร้อนเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองวุ่นวายไม่นิ่งในะ้พวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยรองนะถ้าว่าทุกข์ใจเมื่อไหร่เนี่ยปัจจัยหลักอยู่ที่ใจเราเความยึดติดถือมั่นแบกไม่รู้จักวาง แต้วทัานที่แบกแล้วทุกก็ยังไม่ยอมวางไม่ยอมคลายเพราะความไม่รู้ตัวลืมตัวและเป็นเพราะว่ามัวไปโทษคนนั้นคนนี้ซึ่งทำให้ยิ่งเกิดความโกรธเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีความทุกข์ใจเมื่อไหร่เนี่ยให้บอกตัวเองเตือนตัวว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษคนโน้นคนนี้อย่าเพิ่งไปโทษสิ่งภายนอก กลับมาดูใจของเราเวลารถติดและงุนหงิดเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปโทษนะสัญญาณไฟจราจรอย่าเพิ่งไปโทษรถ ล, ลาที่ขวักไขว่หรือตำรวจจราจรกลับมาดูใจตัวเองว่าเป็นพ่ออะไรตอนนั้นใจเราอํากำลังคิดถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วก็ปรุงแต่งว่าเนี่ยถ้าไปถ้ารถติดอย่างนี้ ไปทำงานสายหรือว่าจะไปส่งลูกช้าเดี๋ยวเกิดอะไรตามมาใจามันไปแล้วตัวอยู่บนถนนเนี่ยแต่ใจเนี่ยไปถึงที่ทำงานแล้วไปถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็สร้างภาพว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าไปประชุมไม่ทันไปส่งลูกสายหรือว่าผิดนัดกับเพื่อนแล้วก็ทุกข์เลย แต่ทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะไอ้ที่วาดภาพไว้ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าทุกสระทุกเพราะอะไรทุกเพราะการปรุงแต่งของตัวเองไม่ใช่เพราะรถติดนะรถติดไม่ทําให้เราทุกข์รถติดทําให้แค่เสียเวลานะแต่ที่เหลือเนี่ยนะมันเกิดจากการปรุงแต่งของใจเราใจไปอยู่กับอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปกังวลกับเรื่องเที่ยงมาไม่ถึง แต่มองไม่เห็นนะคนเสียมองไม่เห็นเป็นเพราะใจปรุงแต่งไปลักษณะ น, นั้นเป็นแต่ไปโทษว่าเป็นเพราะรถรถติดเป็นเพรา ะ, ร ถ, ร, ถ ร, าะรถขยังขยับช้าเป็นเพราะจราจรไม่ทําหน้าที่เพียงแค่หยุดปรุงแต่งกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันดูใจของตัวเองว่ามันกำลังรุมร้อนหรือเปล่า กลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจ อ, อกยาวๆมองสัญญาณไฟที่สีเป็นสีแดงว่ามันกําลังเตือนให้เราเนี่ยหยุดฟุ้งซ่านได้แล้วไฟจราจรนี่เป็นสัญญาณเตือนสติที่ดีนะไอ้สีแดงมันเตือนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองเตือนให้เราหยุดฟุ้งซ่านสักทีเตือนให้เราหยุดปรุงแต่งกับอนาคตสักทีกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ลองมองสัญญาณไฟที่เป็นสีแดงนะว่าเป็นตัวเตือนสติแล้วคุณจะหายงดหงิดเวลาเจอไฟแดงเป็นเพราะเราไปให้ค่าที่เป็นลบกับมันเนี่ยเราถึงงดห ง, งิดนะเมื่อเจอไฟแดงแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจให้มีสติให้เราหยุดฟุ้งซ่านให้เราหยุดแบกนะเห็นไฟแดงทีไรเออใจามันก็เป็นปกติแถมได้กาไรด้วย เสียเวลาแต่ได้ความสงบอันนี้คุ้มนะความสงบที่ไหนความสงบที่ใจเพราะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ซ้ําเติมตัวเองเสียเวลาแล้วยังซ้ําเติมตัวเองด้วยการทําให้ใจเสียนะใจเสียกันเยอะเลยนะเวลาไฟแดงเพราะความวิตกกังวลฉันผิดนะาจะทํายังไงเกิดไปประชุมสายจะทำยังไงเจ้าน้ะก็จะว่าไหมใจเสียเลยนะ บางคนก็รีบไปขึ้นเครื่องบินนะโหปรุงแต่งสารพัดเลยนะรถติดที่ดอนเมืองหรือสวนตะพูมโอ้ถ้าไปตกเครื่องบินจะทํำยังไงคิดไปสารพัดใจเสียร้อนรุ่มหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นเลยมันยังไม่ทันเกิดเลยนะแล้วพอเกิดพอมีอาการแบบที่ว่านะความทุกข์หงุดหงิดใจเสียก็ไปโทษนะ นันทนี้กลับมาดูใจของเรากลับมาตามลมหายใจกลับมาทำความรู้สึกตัวแล้วเราจะพบว่าเอาเครื่องจริงเราก็ไปถึงที่หมายตรงเวลาตามเวลาไม่ตกเครื่องบินไปประชุมได้ทันส่งลูกได้ในเวลาแต่ว่าก็ทุกไปแล้วนะ กับความปรุงแต่งของเราไม่เคยคิดนะหลายคไม่เคยคิโอ้เราเสียเวลาไปไปปรุงแต่งทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยเหมือนกับตกนรกนะทั้งที่เอาข้างจริงทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนตามกําหนดทุกฟรีฟรีแต่ถ้าเอามาเป็นบทเรียนนะว่าทีหลังอย่าปรุงแต่งนะทีหงอย่า ก, กังวลนะอันนี้ไม่เรียกว่าทุกฟรีแต่ส่วนใหญ่ทุกฟรีนั่นแหละ นั่นก็อย่าลืมนะั่งกลับมาดูใจของเราเวลามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเวลามีความทุกข์กลับมาดูที่ตัวเองก่อนแต่ทัศนียภาปกติเนี่ยจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นดูมันขัดแย้งกันนะ จ, จรึงไม่ได้ขัดแย้งไปเรื่องเดียวกันเวลามีปัญหากลับมาดูใจเรากลับมามองตนเวลาไม่มีปัญหาเวลาจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นถึงแม้เราไม่จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าเราทําและมีประโยชน์กับคนอื่นก็ควรทําำเช้านี้ก็พูดกับท่านนี้นะกราบพระ